ข้อชอ่สำนวนแนววิปัสสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระปัญญาวิมุตในพุทธสูตรสั่งยุตนิกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติดหมดใครดับเสียได้ไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุปัญญาวิมุตตก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติดหมดใครดับเสียได้ไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าพระปัญญาวิมุตตในเรื่องนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นข้อยิ่งยอนเป็นข้อแตกต่างระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธกับภิกษุปัญญาวิมุตต พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธเป็นผู้ให้กำเนิดมรรคาที่ยังไม่เกิดเป็นผู้ยังประชุมชนให้รู้จักมรรคาที่ยังไม่มีใครรู้จักเป็นผู้บอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้ทางเป็นมรรควิถูเป็นผู้ชำนาญทางเป็นผู้ฉลาดในทางส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามทางเข้ามาสมทบในภายหลังนี่แหล เป็นความพิเศษเป็นข้อยิ่งย่อนเป็นข้อแตกตา่างระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธกับภิกษุปัญญาวิมุต